นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางพิอัตมาดอทคอมธรรมาพระไพ่บุญอภิปุญโนจากวัดป่าดอนไหโ่โศกตอนนี้ตอนเท่าไหร่แล้วคุณหมอรัตพงศ์ครับอ่าตอนที่หกสิบเก้าครับอ่าและนั่นคือคุณหมอรัตพงศ์นครับธนาแพนย์รัฐพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับท่านอ่าโอเคแอพิสูจ์ที่หกสิบเก้าตอนนี้ครับหกสิบเก้าครับอืมมีเรื่องที่จะมาจะเล่าให้หมอรัตพงศฟังเกี่ยวกับที่วัดป่าดอนไห่โศกนิดหนึ่งเมื่อวันก่อนนี้หลังจากที่ ฉันอาหารเสร็จใช่ไหมเราก็ก <navigation> ลับมาที่สำนักงานแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําที่อาคารห้องน้ําข้างๆกุฏินี่นะข้างๆสานักงานเนี่ยแล้วก็เดินกลับมาที่สำนักงานเนี่ยระหว่างนั้นก็ฝนตกตลอดแล้วก็มีฟ้าผ่าตึมผมว่าอย่างใหญ่มากเลยนะฟ้าผ่านี่ก็ผ่าห่างจากสํานักงานไปประมาณสิบ10ิบเมตรแต่ไปอีกทิศทางหนึ่งนะก็คือจะห่างจากเรามากกว่าที่ส่างจากสํานักงานเราก็จะห่างจากจุดที่ฟ้าผ่ามากกว่าสำนักงานห่างนะ พบเอ่ <S <S เห็นแสงวับลงมาเลยเมอ <S 2> <S 2> รัฐพงศ์แล้วก็มันสะเทือนไปหมดเลยนะเราโอ้ยยืนนิ่งเลยคือเหมือนกับเครื่องมันเออเร์ไปแป๊บหนึ่งอะนะครับเอ่อทำให้เรามาพิจารณาตัวโอ้ตอนที่พระเจ้าเอ่อนั่งสมาธิอยู่ในโรงกระเดืองเนี่ยนะ <S <S <S โคตายสตัวฟ้าผ่านะโคตายสตัวพี่น้องตายสองคนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สะเทือนเลยไม่ไม่ไมสะดุ้งสะเทือนนั่งนิ่งไม่รู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้น นะนั่นคือระดับอย่างน้อยระดับสมาธิระดับที่แปดนะที่พ<ม>ิชานอธิบายไว้ครับซึ่งทําให้เรามาดูว่าโอ้โหแม่สมาธิระดับนั้นมันจะต้องเลิศรู้อาการมากเลยอืนึกออกไหมครั บ, ค, รบคือเราก็แค่รู้สึกอย่างมากว่าเอออย่างน้อยเราก็คงจะไปดีแตนะถ้ามันถ้ามันจะไปจริงๆนะครับนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็เหมือนกับนิ่งไป แ, แต่นิ่งก็คือแบบอยู่นิ่งๆอะ่ะก็ เ, เรียกว่าอะไรสะเทือนเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวจนแบบว่าสติแตกงั้น อตกตะลึงอย่างนี้อตกตะลึงโอ้โหเป็นอะไรกันวันนี้่ครับประมาณเนี้ยนะอืซึ่งทําให้รู้ว่าแหมพระเจ้าของเรานี้สมาธิลึกซึ้งมากไอ้ที่เรามีนี่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้มากๆเลยครับคือสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับจะเนียนไปเป็นอันเดียวกันกับฟ้าผ่าเป็นอันเดียวกันกับแสงแดดเป็นอันเดียวกันกับฟนนอันเดียวกันกับดินน้าไฟลมเป็นเนื้อเดียวกันหมดจิตแบบนี้ครับ อย่างขั้นที่แปนี้เป็นระดับที่เรียกว่าระดับไหนนะครับเออรับเนี่ยว่าสัญญาณาสัญญายตนะอ๋อครับเนี่ว่าสัญญาณาสัญญายตนะใช่จะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็จะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะเรียกว่ามีก็ไม่ใช่ครับเอออย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกงนี้อย่างในบาทอย่างเงี้ยพอกินข้าวหมดบาทแล้วเนี่ยนะเปรียบเทียบนะบเออถามว่าเอา้ากินข้าวหมดแล้วนะแต่ก็ยังมีเศษเศษเหลืออยู่นิดหน่อยนะถ้ามีคนอื่นถามว่าเอา้า อาหารในบาเหลือไหมเราก็บอกว่ามันไม่เหลือมันมันกินหมดแล้วแต่มันยังมีเศษข้าวอยู่จะบอกว่าเหลือก็ไม่ได้นะและ้ว้เขาถามว่าเราไม่เหลือสักเม็ดเลยเหรอมันก็ต้องบอกว่ายังมีอยู่สามสี่เม็ดยังเหลืออยู่อย่างเงี้ยน ะ, ะเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ออืเข้า <c oughs> ใจไหมเพราะฉะนั้นสมาธิตรงเนี้ยคือจะมีสัญญาก็ไม่ใช่หรือไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีน้อยมากน้อยจกนกระทั่งเราบอกว่ามันมันเหมือนไม่มีอ่ะ แต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะมันยังมีอยู่นิดนึงอย่างเงี้ยนะครับอ่าลักษณะนี้ครับนี่คือระดับแปดนะนะครับอืมอืมแต่พูดไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเออเหมือนกับคนที่ยังไม่เคยรู้มันก็จะไม่รู้นะจริงครับพระพุทธเจ้าเคยอะไรอาันตามาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้หมอท่านคเคยกินแกงหางเล่ไหมเออของทางภาคเหนือสิจะเคยหนึ่งครั้งครับแล้วเคยกินต้มน้อง ว, วัวไหมของทางภาคอีสาน ไม่เคยครับแล้วเคยกินผัดสตอแม่ผมทางภาคใต้อ๋อคนใต้ครับกินอ๋อใช่ใช่เนอะมันเรคนยิราเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราเคยกินนะเฮ้ยสตอเป็นยังไงคนภาคเหนือหรือคนอีสานบางทีไม่เคยกินสตอนอะก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงรสชาติมันจัดจ้านกันหนไหนอืมแต่คนที่ไม่เคยกินต้มน้องวัวเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ารสชาติมันกรึบกรึบเนี่มันเป็นยังไงแล้วมันทํามาจากส่วนไหนของวัวกันแน่น้องวัวเนี่ยนะ หรือถ้าคนไม่เคยกินแกงฮางเลยเนี่ยก็จะไม่รู้รสชาติความมันความเผ็ดความขึ้นคอของมันเป็นยังไงนวก็คือพอกินปุ๊บก็รู้ปั๊บไม่ต้องถามเลยรู้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้อย่างสมาธิเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้ให้ไายถึงจุดที่เรารู้ได้เฉพาะตนปัิจจตังใช่แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะแหวกอกเอาให้กันได้ อย่างที่บอกว่าเราจะมาให้ ก, ก้อนละก้อนนะสมาธิมันมันไม่ได้อืไม่ได้ครับอืมันจะต้องทําเองอย่างเงี้ยทําเองได้เองใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่เชิญมาพิสูจน์นันคือเราเชิญยินดีเชิญชวนคนมาพิสูจน์ว่ามีจริงแน่นอนถ้าคุณยังทําไม่เห็นนะคุณทําถูกหรือเปล่านะคุณปรารุความเพียรถูกต้องไหมระบบคุณทําถูกต้องไมนั่นะก็ต้องมาดูตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับออครับ S <S <ừ> ในเรื่องนี้ <ừ> เรื่องของการปฏิบัติจนกระทั่งเราเห็นรู้ได้เองตามที่เป็นจริงมอระพงรู้สึกว่าเรื่องนี้มอระพงเองก็จะเคยมีประสบการณ์ไปก่อนอย่างเราจัดรายการเนี่ยครับตอนนี้เป็นตอนที่หกสิบเก้าแล้วเอพิส od ที่หกสิบเก้ามีฟังธรรมะมาทั้งหกสิแปดครั้งเต็มๆใช่ไหมไปยีป่กว่าจะสองปีปีกว่าเต็มๆนะที่เราฟังธรรมกันมาหมอระงก็มีความรู้ความเรียนเดิมมาเนี่ยพอเราไปปฏิบัติจนกระทั่งวางลงไปเนี่ยจิตสงบลึกลงไปเนี่ยมระง ความรู้ความเรียนทั้งหมดมันวิ่งเข้าหากันครับเป็นอย่างนั้นไหมเป็นครับท่านมันผุดค่อยๆผุดขึ้นมาให้เราครับเออมันเป็นสัญญาที่ที่ผุ ด, ผ, ดผุดขึ้นมาให้เราพิจารณาเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องอย่างนี้ครับอืท응응ีนีไ้ไอตรงที่ว่าออไอความรู้ความเรียนที่เราเรียนรู้มามาทง ม, มันเป็นสิ่งที่รู้เพื่อให้คุณจะปล่อยวางได้ไหนที่พเจ้าเคยบอกว่ารู้เอโทษของมันใช่ไหม รู้รประโยชน์ของมันรู้ข้อดีรู้ข้อเสียแล้วต้องรู้อุบายในการนําออกนั่นคือครเรียนธรรมะนี่คือเรียนให้รู้อุบายในการนําออกเหนื้อมาก็คือเรียนมา์กนั่นเองพอเราเรียนให้รู้อุบายในการนําออกแล้วคุณออกมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรวางไม่ใช่ใ <น S 1> เพื่อ ใ, <น S 1> ให้จำเอาไว้ออคร่าเพื่อให้วางพอวางหมดแล้ววางสุดสุดแล้วนะวางไม่เหลือเลยแล้วมันวิ่งเข้าหากันจ้าดเลย อย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิไปใช่ไหมแล้วฉเราวางเราไปวางาไปวางลงไปลึกซึ้งลงไปโอ้โหเพราะธรรมะมันมันแตกออกมาเนี่ยมันออืมีความราเริงในธรรมะเกิดปิติปิติปราโมทใช่โอ้ไอ้ที่เรารู้มาเรียมันมันเป็นอย่างนี้เองเหรออย่างเงี้ยนะอ่านะสภาวะตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจนะความมั่นใจว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นสมมาสมุทาแน่นะพระธรรมนี่เป็นสวัสขาตะแน่ พระสงฆ์นี่เป็นสุปฏิปันธ์แน่ครับอความมั่นใจตรงนี้พุทเจ้าเรียกว่าอินทรีย์คือศรัทธาอือินทรีย์คือศรัทธาใ่่อินทรีย์คือศรัทธาไอการที่เราปล่อยวางได้เราเรียนรู้ธรรมะม า, มาทําความเพียรมีสติปุ้บปล่อยวางภาพเนี่ยนะไอการปล่อยวางตรงนี้พุทธเจ้าคือบอกว่าคือปัญญาใช่ไหมที่เราบอกว่าอินทรีเนี่ยคือศรัทธาวิเรศสติสมาธิปัญญาใช่ครับพอปัญญาวางเสร็จปุ๊บตูมไปเนี่ยจะเกิดสิ่งที่หกตามขึ้นมาก็จะเหมือนกับสิ่งแรกคือศรัทธานั่นเอง อ๋อก็จะย้อนกลับมาคือจะเรียกว่าอะไรหนักแน่นจัดการใช่มีความมั่นใจในพระพุทธศาสนระสงค์ครับอืมซึ่งความมั่นใจตรงนี้ก็เป็นการความมั่นใจที่ยากที่จะทำให้สังกคอนได้ครับอืมเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็จะมีประสบการณ์อย่างนี้นะหมาทพงเนาะใช่ครับโดยเฉพาะผู้ที่มาหลีกเลนใช้โอกาสว่างที่เป็นประโยชน์ใช่เพราะฉะนั้นในการมาหลีกเลนเนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟัง สักหน่อยหนึ่งว่า ค, คือเราต้องมีการเตรียมตัวมาเหมือนกันนะใช่ครับคือเตรียมตัวมาเพื่อที่จะทําตามกฎระเบียบแล้วคือบางคนเนี่ยมาเสร็จปุ๊บก็จะเขามีกฎใช่ไหมฉันทาผิดกฎเก็บโทรศัพท์ตั้งใจว่าจะทําผิดกฎอย่างเงี้ยงั้นคุณอย่ามาไม่ใช่ไหมคือถ้าถจะมา<ช>ทําฝืนกฎคุณอยู่ที่บ้านก็ได้นะหรือว่าถ้าจะมาคุยมาคุณคุยที่อื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาถึงที่นี่มันไกลแล้วมันก็มันก็จะกวนคนอื่นด้วยนะใช่ครับ เพราะนั้นคือถ้าถ้าเตรียมตัวมาเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎอันนี้ได้นะแล้วก็ถ้าเราต้องการไปอยู่สบายๆนอนเตียงนุ่มๆคุณก็อยู่บ้านก็ได้ครับนแต่ถ้ามาแล้วเรามาหาความสุขในภายในออย่างนี้ให้มาสมควรมาอยู่อย่างเงี้นะครับอย่างกรณีของกฎอันหนึ่งก็คือถ้าคนมาสมัครสมัครมาด้วยกันเช่นพี่น้องหรื อ, อว่าเป็นญาติกันพ่อแม่กันเนี่ย ทางทางวัดก็จะจับแยกถูกไหมครับแยกที่พักแล้วถ้ามาจะบอกว่ามัเขาอยู่ด้วยกันก็คุณอยู่ที่บ้านกันก็ก็อยู่แล้วไงแล้วทำไมมาที่ต้องอยู่ด้วยกันดีกว่ออย่างเงี้ยนะใช่ครับนึกออกไหเพราะนมาก็ก็ให้ให้แยกกันอยู่เหมายกมว่าให้ตามตามระเบียบอนะะก็จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติของแต่ละท่านแต่คนครับคือที่มาพูดเนี้ยเพื่อว่ามันก็มีผู้ผู้ที่มาจะมาปฏิบัติบางคนที่ก็อ่ ยังไม่เข้าใจใ<ช>นะยังไม่เข้าใจแล้วก็จะทําให้าการปฏิบัติของท่านนั้นก็จะไม่ได้ผลนะเพราะเสียเวลาของของเขาเองไปด้วยอย่างเงี้ยนะก็เลยคว่าเออพูดจะได้เ อ, อเห็นสภาพว่าเออเราควรจะทำอย่างไงต่อไปนะกันหมายคิดว่าครับผู้ที่ไม่ไม่ไม่เคยมาแล้วก็ <c oughs> ต้องการจะมาเนี่ยจะได้เออเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจนะครับจะได้ได้ประโยชน์สูงสุดใช่นะใช่แล้วเราก็มาหาความสุขในภายในอย่างนี้ถึงจะ จะถูกต้องถึงจะดีซึ่งในเรื่องนี้บุคคลที่ก็เรียกว่าเป็นเทสติมอนเนลได้หรือว่ายืนยันในข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเทสติมอนเนลคือที่มายืนยันนะนะหลักฐานพยานอย่างเงี้ยก็ทุกท่านที่มาหลีกเลนเนี่ยก็จะเห็นได้เฉพาะตนอยู่แล้วแต่อย่างครั้งล่าสุดนี้ก็มีท่านผู้ฟังของเราคนหนึ่งชื่อคุณปณิธิใช่ไหมครับที่มาหลีกเลนปฏิบัติแล้วก็สามารถทําได้ขึ้นมาคุณปณิธิเขียนมาเล่าให้ฟัง ในเด <ใน S 2> ียรธรรมะที่เดียรธรรมะเนี่ยคุณปณิธิตก็เล่าให้ฟังว่าในเรื่องของคือก่อนหน้านเนี่ยคุณปณิธิตเนี่ยเป็นคนที่ตรงเวลาแล้วก็คือใครมาเ ล, เลาด้วยนึง่งไม่ได้ลเลยใช่ใช่จะจีบ <laughs> แล้วก็พอได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยก็ได้แนวทางในเรื่องของการกําหนดลมหายใจเวลาที่ต้องรอเช่นรอรถติดรอลิฟต์หรือรอ อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะภาวนาก็อืมก็คือไม่ได้หายใจทิ้งไปเป็นการใช้เวลานั้นมาเจริญความเพียรได้อีกเก็บชั่วโมงบินใช่ใช่ะได้ประโยชน่ก็ลยไม่ก็ไม่โกรธเขาด้วยที่เขามาชาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะจิตเราจะสบายนะใครจะทำยังไงก็ช่างหัวมันละกันนแต่จิตฉันสบายครับแล้วก็เราก็รู้จักใช้วิชาให้เป็นประโยชน์ เราทําตรงเนี้ยเรียกว่าให้อาหารจิตมาลมนะพงคือเราไม่ได้โกรธนะเราเรายินอยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็ให้อาหารจิตของเราด้วยนะพอเข้ามาปุ๊บจิตเรามีสมาธิสามารถคุยงานได้สามารถแก้ปัญหาได้นะมีความเมตตาซึ่งกันและกันบางทีบางคนเขามาเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นนะแต่ว่าเจอประสบปัญหาอะไรต่างมาเจอโอเจอเรื่องไม่ดีมาพอแรงและมาเจอเราถูกเอาดาาอ่าใส่อีกเนี้ยโอ้มันมีแต่ช้ำกระช้ำความจำเป็นยิ่งเสียหายครับ แต่ถ้าเรามีสติอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเรามีจิตมีเมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะทําตัวเองนะค น, คนอื่นก็ได้ด้วยใช่ไห ม, มเราดูที่มลมหายใจของเราเราวพี่มันปฏิบัติขูดกิเลสของเราไปคนที่คนอื่นเขาก็ได้ด้วยได้ไรได้ความเมตตาจากเราได้ความอดทนจากเราได้ความไม่เบียดเบียนจากเราได้ความรักใคร่เอ็นดูจากเราโอ้เยอะเลยนะครับอที่สมครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า คนที่อ่าเพื่อต้องการรักษาผู้อื่นเนี่ยก็ก็เจริญสติปัญญาจะรักษาตัวเองก็เจริญสติปอญญาพอถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยไอจิตใจบา้บาบา้บาบอโกรธฟู่ฟ้าวุ่นวายก็จะไม่มีพอไม่มีแล้วมันปากเอย่ยหมัดเอย่ยกําปั้นนียก็ไม่ไปกระแทกผู้อื่นครับนี <laughs> ่เขา้าไหก็จะมีแต่รเรื่อดีๆครับใช่ใช่ใช่เพรันนี้อันนี้ เรียกว่าเป็นอันนี้สงฆ์ที่กว้างไกลนะได้ทั้งเราได้ทั้งผู้อื่นหลายหลายคนเก็จะมีความที่เรียกว่าคิดว่าไม่ปฏิบัติของพุทธเจ้านี่เอาเห็นแค่ตัวมั่งเอาแต่เข้าหาตัวเองเข้าหตัวเองแต่นี่เป็นการทวนกระแสไงการทวนกระแสคนอื่นเขาคิดว่าโทษบุคคลภายนอกมันมาเลดมันทําให้ดีของแพงรัฐบาลมันโอ้ยโทษคนอื่นนะโทษันอื่นหมดเลยแต่ของพุทธเจ้าทวนกระแส ทวนกระแสเข้ามาหาตัวเองนะคนหรือว่าคนอื่นสุขทุกข์ทาให้หมายถึงว่าสุขทุกข์คนอื่นทําใหู้เชีจยวไม่ใช่ทวนกระแสเข้ามาจิตนะตัณหาตัางหากทำให้ต้องแก้ตรงนี้นะพอเราแก้ตรงนี้แล้วคนอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าโอธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโอสถที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครอืมอืมใช่ใช่ที่นำมาใช้ทำทีนี้ทําให้การปฏิบัติเนี่ยนะอ่มันจะต้อง เพืเ่อเอาความอยากออกจากจิตแล<ค>้วนะเอาความอยากตรงเนี้ยบางคนไปไปพลาดทา่ามานั่งสมาธิเตรียมการอย่างดีอะไรเช่นปฏิบัติตามกฎแต่ว่าใ น, นจิตเนี่ยมันเราทําเองนะแต<ค>่ว<ค>่าทางภายนอกเีเราอาจจะช่วยดูให้ได้ว่าเออคุณเอาโทรศัพท์เก็บนะคุณอย่าคุยกันนะคุณกินอาหารได้พอประมาณนะพอหลับตานั่งสมาธินะั่น่ะอยากได้สมาธิคุณคุณไม่ได้เลยความอยากน<ค>ี<ค>่ไม่ได้เลยสมมติ<ค><ค>เราเนี่ยอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์นึกออกไหมที่เราเคยพูดกัน อยาก<ช>ได้สุขไม่อยากได้ทุกอคุณคุณพลาดละถ้าเราดําเนินตามเขาเรียกว่าลอจิคนีน้ไปเรื่อยๆคือกระบวนการคิดของชีวิตฉันจะเป็นอย่างเนี้ยฉันอยากได้สุขฉันไม่อยากได้ทุกชีวิตคุณทุกแน่นอนครับเพราะคุณเข้าใจชีวิตไม่ถูกต้อง อ, อถามว่าทําไมคุณเข้าใจชีวิตไม่ถูกต้องก็เพราะอยากกับไม่อยากเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ว่าเราจะต้องอยากไม่อยากเราต้องของคนทิ้งแต่สุขกับทุกเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจครับ ต, ตามนยัยยะของเรสสีใช่ไหม <yan ka S 1> ความตัณหานี่ยโยนทิ้งนะทุกข์นี่ทําความเข้าใจน ะ, ะความดับทุกข์นี่ทําไม่แจ้ง <quil ame. S 1> ทำให้ถึงความดับทุกขนี่ทำให้เจริญแต่เพราะฉะนั้น <Pl ame. S 1> ถ้าเราอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์คุณเข้าใจผิดแล้วโลกไม่ได้เป็นอย่างนี้ค <Pl ame. S 1> รับ sí. แต่สุขทุกข์คุณต้องเข้าใจนะอยากไม่อยากคุณต้องโยนทิง้งเดี๋ยวถึงจะเข้าใจให้ถ unclear, ูกต้องแต่เพราะฉะนั้นเราอยากได้สมาธิใช่ไหมอ่าคุณเอาอยากทิ้งไป สมาธินี่คุณต้องทําความเข้าใจต้องามเข้าใจทําไงอ๋อมันเหตุเกิดมาจากอะไรทํำไงถึงจะได้สมาธิข้อดีมันมีอะไรข้อเสียมันคืออะไรเหตุปัจจัยที่จะทาให้สมาธิเกิดขึ้นมีอะไรคุณทำพอไหมคุณทำความเปลี่ยนไหมคุณกินอาหารพอประมาณไหมคุณฟังธรรมะไหมถ้าคุณทําอย่างนี้แล้วอยากไม่เอาอยากออกไปนะยังไงคุณก็ได้ออืมืมให้เป็นความรู้สึกฉันทะแบบฉันทะไมไ่อยากแบบออยากตั้<ๆ>หานี่ไม่ได้ล่ะ นะา้ถคือความพอใจคือถ้าเราพอใจแล้วเราก็ทําเหตุให้มันถูกไงเออใช่ครับสางเหตุที่ถูกต้องอครับเหตุที่ผิดอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความอยากอั่อครับอืมนี่แหละเป็นมีมีเพื่อนของอาตมาคนหนึ่งมาจากสิงคโป ร, ร์จะขอเล่าเรื่องของเขาให้ฟังนิดหนึ่งได้ครับกับ อ, อีกคนหนึ่งเนะี่ยเป็นอเล็กซ์ชื่ออเมริกันเป็นคนอเมริกันนี่มาที่วัดป่าอันัยสจะเล่าเรื่องของสองคนนี้ให้ฟังนิดหนึ่งคนแรกนี่ก็อายุสามสิบปีนะชื่อ ชื่อสมหวังชีวิตสษาไทยชื่อสมหวังคตั้งชีวิตสษาไทยคุณสมหวังนี่เขาก็มาหาดมาก็พบว่าเอ๊ะจะทําไงกับชีวิตของเขาดีเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจชีวิตว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร purpose in life คืออะไรทำไมชีวิตฉันก็ถ้าทางจะดีแต่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะแต่เพราะว่าเขาเข้าใจลอจิกในการดําเนินชีวิตผิดไปว่าอยากสุขไม่อยากทุกข์ชีวิตฉันก็มีแต่ความสุขแต่ทาไมมันมั น, ม, นมันไม่ค่อยสุขเท่าไหร่มันทุกข์ไง แต่พอเขาได้ทราบข้อมู ล, ลว่าอ๋อมีทางดําเนินนะให้เดินตามทางนี้อไอ้พวกสิ่งที่เป็นการสิ่งที่เป็นพยาบาทเบียดเบียนความคิดนี้ยกเลิกไปนะโดยรู้ถึงเหตุจูงใจอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่กามมีอยูนะคือหลายๆคนเนี่ยจะมีเหตุจูงใจในชีวิตว่าชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นต้องมีเงินตท่านั้นมีบ้านมีรถต่างๆนี่คือเหตุจูงใจที่เป็นลักษณะของกามกุลหา ครับทังโลกโลกครับเรามีเหตุจูงใจที่ไม่ใช่อิงด้วยกามคุณคห้าจะดีกว่าแตเพราะการบุณคห้าเป็นกับดักเราทําความเข้าใจเรื่องของความอยากความไม่อยากเรื่องของสุขเรื่องของทุกข์ในเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ก็สบายครับมีความสบายใจสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องต่อไปนะคือบางคนไม่รู้ว่าเกิดมานี่เฮ้ยฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอเกิดมาทําไมแล้วทําอะไรไงต่อไปเอ้ยฉันอยู่ไปวันๆนี่เป็นยังไงอย่างเงี้ย นะถ้าผอกว่าเราไม่รู้ว่าเจุดประสงค์ชีพิของฉันคืออะไรนะมันมีวิธีการอยู่มารดบงคือคือคนที่ไม่รู้ว่า p พ r ร์เ e ็นต์ไลคือจุดประสงค์ของชีวิตีวิตจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยโตมาทําไมนะคําถามนี้เร า, าเคยคิดตอนสมัยอายุสิบห้ากูกูกูเกิดมาทมําไมคืแล้วจะทําอะไ ร, รต่อไปเก็มาแล้วตายเฉยๆหรอหรื อ, อยังไงต่อไปอย่างเงี้ยนะ ค, คิดไปคิดมาก็ยังคิดไม่ออกตอนนั้น เรก็ดาเนินชีวิตมาเรื่อยๆนะน เ, เพราะเพราะว่าที่เราคิดไม่ออกหรือว่าเราไม่รู้เนี่ยนะเพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าจิตเราไม่มีกําลังพอที่จะเห็นอนเราโมนืไหมจิตเราไม่มีกำลังพอที่เห็นเพราะว่าเราชุ่มอยู่ด้วยกามคุณต่างๆนะโทรศัพท์มือถือบ้านรถความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้ อ, อ่ทําให้เราจิตเราไม่บริสุทธิจนน์จิตเรามันมันหนาจิตเรามันหยาบแล้วพะจิตเราหนาจิตเราหยาบเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว อืจุดประสงค์ของชีวิตเกิดกันแน่ครับทีนี้เราถ้าเราเดินตามทางตามมาร์กนะเพราะเราเดินตามมาร์กไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราจะสามารถพบจุดประสงค์ในชีวิตของเราได้อืมครับแต่เพราะว่าเดินตามมาร์กไปจิตเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นและจิตเราบริสุทธิ์มากขึ้นเราจะเห็นโอกาสในชีวิตอืมครับคือเรื่องนี้เามามาคิดทบทวนดูนะคิดว่าจะทําเป็นโครงการสําหรับอ่องค์กรโดยทรรมโอ้ดีครับท่า น, อ, นองค์กรโดยทํธรมรม คือหมายความว่า<ด>เขามีอโรงเรียนวิถีพุทธใช่ไมใช่ครับเอเราก็จะมีองค์กรวิถีธรรมอย่างนี้นะโอ้อนุโมทนาครับคือคือตรงนี้ก็จะค่อยๆเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้วันนี้มันจะมี<อ>มาได้เลยมีแผนการอะไรต่างๆแล้วคุณไปทำแต่ว่ามาคิดๆดูเนี่ยเอ๊ว่าเราจะบริหารองค์กรบริหารชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปโดยธรรมอย่างเงี้ยมันจะทําอย่างไรในอย่างเช่นคำนามที่ว่าอย่างในบริษัทคุณอย่างเงี้ย้พนักงานคุณ ไม่โมทีเวตเลยไม่มีแรงจูงใจในการทํางานเลยเราจะทายังไงจะเลื่อนตําแหน่งทํำยังไงจะแลกออกทํำยังไงจะเปลี่ยนงานทํำยังไงจะจ้างคนทํำยังไงจะประชุมกันทำยังไงตั้งเป้าหมายยังไงที่ไม่ให้เป็นเกี่ยวข้องกับตัวเลขมากแต่ก็ยังได้เงินได้กําไรมาในบริษัทอย่างนี้นะแล้วมันก็จะทํำยังไงให้แต่ละคนในบริษัทเนี่ยมีเป้าหมายนะมีก็เองจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิตรู้ได้ยังไง แบบจุดประสงค์ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าจะขอเงินมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เราจะเอาธรรมะหมวดไหนมาจับได้บ้างแล้วก็จะทำให้เป็นองค์กรวิถีธรรมได้อย่างไรคือหลังจากที่สมหวังนี่เขามาหาธรรมะก็ทำให้มีความคิดเรื่องนี้นะเรื่องของค์กรวิถีธรรมคุณสมหวังนี่เป็นคนประเทศอะไรครับท่านสิงคโปร์อ๋อสิงคโปร์ครับซึ่งเป็นประเทศที่เจริญ ก้าวหน้ากว่าเราเยอะเลยนะครับในปัจจุบันอก็เป็นประเทศที่พัฒนาอยู่บ้างครับครับแต่ว่าในเรื่องของทางจิตวิญญาณเนี่ยเหมือนกับเขายังขาดไหมครับเท่าที่พระอาจารย์สัมผัสมาก็แต่ละประเทศก็มีจุดหรือจุดแขงของแต่ละคนแต่ละท่านนะครือหมายความว่าถ้าบอกว่ายังไงก็ตามทุกคนก็ยังมีความทุกข์ถ้าคุณยังไม่บรรลุเป็นพระหลานแล้วเราก็มาแก้ปัญหาความทุกข์นี้นึ่งคือเรื่องการเมืองเรื่องการแประเทศก็ ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบไแหละแต่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ดีได้มีความสุขได้อ่าแล้วมารวมกันเป็นบริษัทเป็นบริษัทบริษัทนี้แหละเป็นบริษัทที่มีความสุขได้อืเป็นบริษัทเฉลิอ่ามีกําไรได้หมายถึงว่าคุณหาผลกําไรในบริษัทคุณได้แล้วก็มีความสุขได้บริษัทนี้หมายถึงว่าบริษัทที่ทํามาเงินนะ่บริษัทองค์กรอย่างเงี้ยครับอื เพื่อนพ่อแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ย อ, อไม่ได้ว่าทํางานสังกัดายไปวันวันทําตามที่สั่งไม่ใช่อย่างนั้นแต่แต่ว่ามีพยศออกจากฉีตน้อยลงมีความเอือ้อเฟื้อเกื้อกูลมันกันมากขึ้นนก็จะทําให้ อ, อ, องค์กรนี้ไปได้รจริงเป็นเป็นสิ่งที่ขาดอยู่ในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับปัจจุบันเหมือนกับองค์กรก็หาทางไปไม่ได้ว่านอกจากการเงินที่เติบโตขึ้นเนี่ย ความสุขอื่นๆนี่มันเหมือนว่ามันติดตันนะครับเราจริงๆนะครับตรงนี้แหละที่ว่าคิดว่าเออจะาจะมีองค์กรวิธีรมขึ้นมานะก็คงจะดีเหมือนกันดีครับถ้าได้ฟังเห็นว่าอย่างไรหรือว่ามีคอมเมนต์ในเรื่องนี้ก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ก็แล้วกันครับครับถัดมาที่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องของมิสเตอร์อเล็กซ์รากชาวอเมริกันเข้ามาที่วัดป่าดอนไห่สงนี่ว่าเพราะว่าเขาได้รับการแนะนําจากพยาบาลคนหนึ่ง พอไวปคนนี้ก็เคยมาหลีกเรนที่วัดป่าดอนันะโศกแอเล็กซ์เนี่ยเขามีปัญหาว่าเขาเป็นเบาหวานครับเป็นเบาหวานเนี่ยเหตุที่เขาเป็นเบาหวานเนี่ยเพราะว่าเขากินมากอืเหตุที่เขากินมากเนี่ยเพราะาเขาควบคุมลิ้นเขาไม่ได้นเห็นแล้วมันต้องกินอาหารไทยนี่มันอร่อยจริงจริงหมอรัตรงศ์เลยเขาบอกว่าอาหารไทยนี่อร่อยมากๆเลยเห็นแล้วมันต้องกินกินแล้วต้องกินให้หมดเออให้เรียบกินให้หมดไม่หมดไม่ได้ไม่หมดเป็นเสียดายนะแต่ถ้าไม่เห็นไม่กินก็ได้ อ oh. ไม่เห็นไม่กินก็ได้นะดีนะอันนี้แต่ว่าเขาก็มีสมาธิระดับหนึ่งนะ <c oughs> แต่ว่าเห็นแล้วมันต้องกิน <c oughs> มันชิมชิมอ่ะชิมชิมชิมหน่อยโอ้โหอร่อยมากเลยชิมอีกชิมจนเออหมดแล้วเหรออย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างงี้อเล็กซ์นี่ก็เลยมีปัญหาเรื่องเรื่องเบาหวานไดเบติส <c oughs> เขากินมากจนมีปัญหาจนกระทั่งว่าขาเขาปวดนะหมอนี่ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานต้องให้ควบคุมน้ําหนักั <c oughs> แต่ว่าควบคุมน้ําหนักนี่มันก็คือน้ําหนักก็อยู่ที่ปากเราใช่ไหม เรียว่ามันอืห ม, มันควบคุมปากไม่ได้เห็นแล้วมันต้องกินอ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะหาวิธีการทําตรงนี้นะก็เลยมาคุยกับหลวงพ่อแล้วก็จะมาแปลให้ฟังคุยกันว่าเออเนี่ยถ้าผมไม่หาวิธีการที่จะควบคุมปากนะผมก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าวิธีการที่จะตายอย่างสบายใจตายอย่างสงบครับเ ค, บคยเตรียมตัวมั้งไงอายุเจ็สิบแล้วอ๋อเพราะงั้นก็คือต้องหาวิธีควบคุมปากถ้าไม่งั้นก็ต้องหาวิธีตายอย่างสงบครับ แหมฉลาดเหมือนกันนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็วิธีเดียวกันนั่นแหละคมันก็เลยสอนสมาธิให้เขาไปนะซึ่งซึ่งท่านผู้ฟังก็หลายๆท่านจะมีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องควบกลุ่มปากไม่ได้สมัยก่อนอาตมาเนี่ยตัวดีเลยไม่ต้องพูดคนอื่นแล้วตื่นช้ามานี่เราแจ็บเจปากวันนี้อยากกินอะไรเปรี้ยวปากอยากกินอะไรไปฟาดจิงนั่นเลยจัดการมนเลยไกลแค่ไหนก็ไปนะ ไปคนนี้ไม่พอเองเรียกชวนเพื่อนไปด้วยแหมเป็นคนชั่วจริงๆนะคือชวนคนอนื่งไปทําชั่วกับเราอ <laughs> ชวนคนอื่งไปเป็นทาตปากยนะเ <laughs> พราะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมปากให้ได้นถ้าเราไม่ตกเป็นทาตของลิ้นนะมีคําถามหนึ่งที่เขาถามดีมากๆเล ย, <า>ยเออเราจะแยกความหิวกับความอยากได้ยังไง <c oughs> อืมครับนะท้องท้องมันหิวเนี่ยกับอยากนี่มันมันแยกกันได้ยังไงอย่างพระ <c oughs> อรันตื่นช้ามาเนี่ยหิวไหิวหิวอ้าว แล้วคนที่มันอยากกินไปตามใจชอบมันก็หิวเหมือนกันนะเรวถามว่าเขาแยกกันยังไงแยกกันทีนี้คนคนบางทีแยกออกอยู่แต่ทําไม่ได้อันนี้หรือไหมครับทีนี้เอาเอาทีละขั้นก่อนว่าจะแยกยังไงระหว่างความหิวกับความอยากอันดับแรกเนี่ยคือท้องมันหิวแน่นอนทีนี้พอท้องเราหิวเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะเรากินอาหารที่ถูกธานกับร่างกายของเราใช่ไหมกินเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บร่างกายเนี่ย มันจะสร้างเวทนาคือพอมันหิวเนี่ยมันมีเวทนาเกิดขึ้นมันมีภาษาก่อนแล้วภาษาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาษาลักษะของความหิวพอมันดับไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราได้อาหารเบียงบอมันดับไปแล้วเวทนานั้นก็จะดับไปด้วยอ่าใช่ครับนะพอเวทนาดับไปตรงนั้นแหละคือสัญญาณที่บอกว่าคุณอนะอพอแล้วนะอืมพอแล้วทีนี้ว่าพอพอจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้สังเกตเวทนาตรงนี้มันไปสังเกตอะไร โอ้นี้ก็อร่อยอันนั้นก็อันนี้ไม่เคยกินเลยอันนี้เคยกินกับคนนั้นมาไห้ลองชิมมาซินี่โอ้โหคนนี้ก็พูดอย่างนี้ถ้าเราคิดยิ่งคิดมากยิ่งคิดมากยิ่งคิดมากเนี่ยเราจะไม่ได้ยินสัญญาณตรงนี้อืมจริงครับเล็กเี่ยเขามีปัญหาตรงนี้นะเขาเป็นคนที่คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดเขาคิดเรื่องดีๆนะหมอพระพงษครับเขาคิดเรื่องดีๆนะเขาคิดสิ่งที่เป็นกุศลตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นที่จะให้พูดกันว่าไอสมาธิระดับที่หนึ่งสมมติคุณคิดเรื่องดีีีๆนน่่่เป็สมารระดัับบทแล้วอถูกค และมีปีติสูงเนี่ยทั้ ง, ท, งทั้งตัวนี่คือสมบูรณ์เลยนะเป็นจานหนึ่งเลยนะแต่ถ้าคุณคิดธรรมดาอะปีติสูงไม่มีไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีองค์ประกอบของจานที่หนึ่งอยู่ใช่ไหมทีนี<ม>้ผู้าบอกว่าไอ้จานที่หนึ่งเนี่ยมันยังมีอาภารนะอาภารของมันคือความคิดในทางกลางเข้า<อ>ใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ย ค, คิดเรื่องทรรบวกก็จริงแต่เลียเ้ยวมีความคิดทางกลามแว บ, บขึ้นมาเราแยกไม่ออกเลยเพราะมันมันมันเป็นความคิดเหมือนกันครับแต่บางทีมันเป็นทางกามแล้วเพราะนั้นอย่างอย่างการที่เขาไม่เห็น เขาก็ไม่กินได้แสดงว่าเขามีความคิดดีแต่พอมีผัสสะคือตาเห็นอาหารแล้วเนี่ยคนโทรมาชวนไปกินแล้วเนี่ยเอาละเอาละหยุดไม่อยู่อ่ามันเริ่มไปทางกามละครับเห็นไหมมันก็คือไหลไปตามลิ้นแล้วพอเรามีความคิดมากอย่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถสังเกตเห็นอเวทนาของร่างกายว่าอันนี้พอหรือรับหรือยังอืนี่คือเห็นแล้วผ่านไปเลยครับนี่เขาเคยเขาเปรียบเทียบให้นะมาฟังนี้ เหมือนน้ำพุที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยน้ำพุอ่ะ น, นะพุ่งขึ้นมามากเลยมากมากๆจะไปปิดมันปิดไม่อยู่เขาบอกงั้นความคิดคขาต้องมี ค, มคิดมากคิดจริงๆเลยจนกระทั่งมันมันมันปิดไม่ได้อือแต่ตรงนี้แหละเวลาอินโฟเมชันข้อมูลต่างๆความคิดต่ามันมากขึ้นเนี่ยเราจะหาแค่หนึ่งข้อมูลตรงที่เราต้องการเนี่ยโอ้โหมันหายากนึกออกไหมอย่างน้ำพุที่มันพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาเนี่ยคุณคุณเอาสายเนี่ยตรงเนี้ยที่มันบอกว่าคุณพอได้แล้วเนี่ย คุณร่างกายคุณอิ่มแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยมันมองข้ามไปหมดเลยครับเพราะเราถูกบอมบาดเอโอเวอร์มด้วยไอ้เจ้าภาษาทั้งหลายครับเหมือนท่วมท่วมทับมท่วมทนด้วยไอ้ความคิดบ้างด้วยภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จึงสอนให้เขารู้จักวิธีที่จะหยุดคิดยังไงครับสอนยังไงบ้างครับก็คือให้มารู้ลมหายใจครับ พอรู้ลมหายใจหยุดคิดได้นะเราสามารถสังเกตเห็นตรงนี้ได้นะเมือนเราปิดน้ำน ะ, ะเราก็ ร, รอไอ้สัญญาณตรงนี้ทนันเนียงก็จะเห็นอย่างสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นครับอืมเหมือนง่ายๆเลยนะครับก็มารู้ลมหายใจออื<ม>ง่ายไหมคือคือถ้าพูดคําเดียวก็คือว่ามีสติอยู่ในลมเป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมใช่ไหมนี้คือวิธีการปฏิบัติละง่ายที่สุดละเป็นผู้ดํารงสติเฉพาะหน้าผู้ธวรจนะก็ได้ แต่นะเป็นผู้ ด, ดำรงสติชวาณะ์น่ะแต่ถ้ามาสอนกันจริงจริงนะหมางเจ็ดวันนั่นนะ่ะอที่กเคยมานั่นเจ็ดวันนี่เราพูดเรื่องสติหมดเลยนะไม่ได้มีอย่างอื่นนอกจากนี้เลย อ, อย่าไปพูดเลยแค่เจ็วันเอาพูดสี่สิห้าปีก็ยังพูดเรื่องสตินี่อยู่ปุโรหิตเจ้าของเราตั้งแต่คืนที่ตรัสรูอ้อคืนที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นไซอันเป็นที่ปลัาเล่าเด็กเลี้ยงแพะเจะสอนอะไรดีหลังจากที่พระพรมมาอนุมาอารัตนาให้ให้สอนแล้ว นะมัน ม, มานิ ม, มนต์ให้ปรินิพพานแล้วก็ปฏิเสธไปแล้วนะก็มาเลยมาคิดว่า hey, จะสอนอะไรนะก็พูดถึงสติปฐาน4ี่เป็นหลัางเ ค, ครื่องไปทางเดียวนะตอนปรินิพพานนะอีกสี่สิบห้าปีถัดมาตอนปรินิพพานก็คําสุดท้ายนะที่ก่อนที่จะรับการปรินิพพานก็บอกว่าอย่าประมาทก็คือหมายความม่มีสติเหมือนกันนะมีพุทธวจนะที่บอกว่าไม่ประมาทคือการมีสติสํารวมอินทรีย์ครับ เพราะฉะั้นมันก็คือสติหมดอะตั้งแต่เริ่มจนระหว่างและจบสติหมดเลยใช่ครับนึกออกไหมคือรายละเอียดมันเยอะมากจริงหมอรบรับอแตกย่อยไปหลายๆเรื่องเลครับเกี่ยวกันเป็นมากเป็นอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้หมดในสติปัฏฐานสี่ครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับคุณอเล็กซ์หลังจากได้ปฏิบัติอ๋อผลตอนนี้เขารู้ได้เฉพาะตนนะเขาก็เลยคอมมิชนะคอมมิชในการที่จะมาคือตอนแ้กเขาก็ต้องการจะมาหลีกเลี่ปฏิบัตินะ เขาเราก็ยังจะต้องไปอีกเดือนหนึ่งเขาเลยคอมมิชที่จะมาทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสองครั้งสามครั้งบ้างแล้วแต่โอกาสเพื่อที่จะได้เครื่องหมายเครื่องมือในการที่จะควบคุมจิตตัวเองให้ได้อืครับคือจะคิดคก็ดีดนิ้วคิดได้จะไม่คิดก็ดีดนิ้วไม่คิดไดนน้งสั่งได้เลยครับอืมก็<ง>ให้ ม, มีสมาธิมีอํานาจเหนือจิตใช่ใช่ถูกต้องครับได้้เพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อาจจะมีปัญหาเรื่อง เป็นธาตุของลิ้นธาตุของปากนี่ยประเด็นคือเราต้องสังเกตความแตกต่างระหว่างไอความหิวกับความอยากให้ได้นะความหิวจะรู้ได้ที่เวทนาทางร่างกายนะความอยากนี่คุณโยนทิ้งไปเลยอืม ค, คุณโยนทิ้งไปเลยไม่เอาเลยไม่เอาตั้งแต่แรกด้วยซ้ําไม่เอา้แต่เวลานี้อยากกินอะไรผิดเลยคิดอย่างนี้แค่ผิดแล้วเราแค่ว่าอะไรมันถูกธาตุกับเราคิดอย่างนี้ถูกกินเพื่ออยู่ออใช่อย่างละมางอย่าง ชอบกินของทอดนะของทอดเนี่ยถูกท่านกับร่างกายเรานิดหน่อยเพราะเรากินกระบายสองสามคำพอเลยเพราะว่าเราเวทนาระดับละครับแม้แต่ถ้ากินกล้วยแขกหมดจานนี้ก็จะเริ่มเสียงเป็นอย่างนี้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านี่ยยกตัยวยกตัวอย่างให้ฟังให้เฉยนะครับอืครับ <laughs> <laughs> เพราะนั้นเราเราชอบกินอะไรเนี่ยหมายว่าคุณถูกท่านกับอันนั้นอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับความอยา่อีก นึกออกไหมอย่างยกตัวอย่างที่เคยพูดให้ฟังอย่างอัมาเนี้ยเป็นคนกรุงเทศอย่างเงี้ยเรามาอยู่ภาคอีสานเราก็ไม่คุ้นเคยกับข้าวเหนียวเพราะกินข้าวเหนียวไปเราก็ไม่ถูกธาตกับเรามันเป็นตัวเออเป็นตัวหนักมันเป็นมึนตึงมันเป็นแบบไม่ค่อยเออแรกแรกมาเป็นอย่างงี้แต่ตอนนี้สบายแล้วลหละแต่ข้าวเหนียวนี่เป็นของที่ถูกธานกับเราละออย่างไรก็ตามที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็คือว่าเอเวลากินข้าวเหนียวไปเนี่ยพอเราไม่ถูกธานเนี่ยมันก็ร่างกายก็จะยเวทนายังไม่ดับ ดังนั้นรเราก็ต้องกินอะไรที่มันถูกธาตกับเราซึ่งเราจะชอบสิ่งนั้นด้วยนะไอ้ที่มันถูกธานกับเราเนี่ยครับอ่ามันจะไม่เหมือนกับอคือคือถ้าคุณไม่ชอบอะไรเนี่ยมีแนวโน้มว่าสิ่งนั้นไม่ถูกธาต ก, กับคุณอ๋อครับทีนี้มันก็ต้องมาสังเกตเบตนา อ, อีกนะว่าไอที่เราไม่ชอบอย่างพวกผักเงี้ยคุณไม่ชอบผักเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้แต่ว่าผักมันดีกับสุขภาพของคุณนะอืมครับแล้วเราก็ต้องมาดูเบตนาตรงนี้อีกนะว่าเอเบตนาในร่างกายของเราเป็นยังงไ เรากินผักเข้าไปแล้วเวทนามันดับไหมเอ้าถ้ามันดับ<ม>อยู่แสดงว่าผังนี่ถูกธากับเราอลิสเราเป็นของไม่ถูกต้องละอารลิลเราไม่ถูกลกอย่างนี้ยครับก็ต้องมีสติสังเกตตัวเวทนาใด้ชัดเจนนะครับใช่<ม>ใช่<ม>เวทนาทางกายเท่านั้นแหละที่เราจะต้องมาสังเกตดูนะโดยที่ว่าคอยระงรับความคิดต่างๆไม่ให้จิตเราไหลไปทางอื่นแล้วเราก็กินอาหารที่มันถูกธาตุได้พูดง่ายคืออาหารที่ชอบได้ ได้จนกระทั่งเวทนาบันดับไปอท่านั้นเองสมมติคุณชอบกินอะไรคุณกินนีดหน่อยหน่อยแล้วก็เวทนาดับไปละก็ดีละก็ก็คือจบละพอละแค่นั้นเองนี่คือเราเรื่องของเอคุณสมหวังจากสิงคโปร์แล้วก็เรื่องของคุณอเล็กซ์จากอเมริกาให้ฟังแล้ก็เป็นประเด็นที่เราจะพูดถึงเรื่องขององค์กรโดยธรรมแล้วก็อะไรล่ะเรื่องของการควบคุมป่า ในความแตกต่างระหว่างงานที่ชอบในความอยู่และความอยากครับเรื่องของการหลีกเล่นปฏิบัตินี้อีกนิดหนึ่งคุณหระฐวงศ์ที่ครับเราพูดถึงว่าเป็นผลที่คุณจะรู้จะเห็นได้เฉพาะตนจริงครับซึ่งถ้าฟังรายการธรรมะเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะได้ระดับหนึ่งสุดตาอ่ามันก็จิตก็สงบลงไปในขณะที่ฟังก็ได้ระดับหนึ่งอย่างนั้นก็ตามการหลีกเล่นเนี่ยตรงที่คุณฟังธรรมะนี่ชื่อว่าการปฏิบัติอยู่แล้ว การปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งการปฏิบัติจะไม่เหมือนกับการหลีกเล่นแน่นอนมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าการปฏิบัตินี้คือปฏิบัติได้ทุกที่ทุกแบบมีสติก็ชื่อว่ามีการปฏิบัติแล้วแต่นะการหลีกเล่นนี่ก็คือว่ามีการทําเพิ่มเติมในเรื่องการทีอ่อยู่อย่างคนเดียวนะอยู่อย่างชนิดไม่มีใครมาอยู่ด้วยเหมือนอยู่คนเดียวในโลกครับอืก็จะได้อ น, นิสงส์งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอืครับนะจะมี เป็นโอกาสว่างใช่ไหมครับใช่ใช่ที่จะพิจารณาครับอืในเรื่องนี้จริงก็คุณปรรณิธิหลังจากที่มาเิงในวันเดียวกันเราก็มีคําถามครับมามกันอืก็ขออนุญาตถามเลยนะครับไคือการที่ทาครีมกันแดดคือจุดประสงค์เพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนังหรือว่าทาครีมโลชั่นเพื่อไม่ให้ผิวแห้งจะเป็นการผิดสิน8ไหมครับอ๋อ เกิด น, นี้สินแบบนี้ชัดเจนนะ ถ, ถ้าเอถ้าเครื่องรูปลายรูปทาของหอมเนี่ยอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวนี้ก็ถือว่าเ อ, อไม่ปกติแลัว ค, คือหมายถึงผีศีงนะแต่ถ้าผมว่าเราไม่ได้ทาเพื่อฐานะแห่งการแต่งตัว น, นี่ก็ไม่เป็นไรอืครับการเพื่อป้อง ก, กันโรคป้องกัน อ, อ, อาพาธอันนี้ไม่ผิดใ ช, ใช่ไหมครับใช่ทีนี้ว่า mm hmm. อย่างสมมติทาครีมป้องกันมะเร็งนี่กลัวตายหรือเปล่า คือยังไงมันก็ตายเออทัองนั้นเราก็มาทําวิธีแก้ความตายแก้เรื่องของความกลัวนี้ดีกว่าอ๋อมีมีคนหนึ่งเหแล้วผมเวายมาขำมากเลยเขาก็กลัวผีมากเลยนะคนเนี้ยเขาก็เป็นเป็นผู้หญิงหนุ่มชายมาอยู่กุฏิดาวเทียมอ่ะครับกลัวผีครับรู้สึกเหมือนมีกุฏิมันสั่นมีใครมาเข้าประตูอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรย้ายกุฏิย้ายกุฏิขอย้ายกุฏิครับอืมก็ย้ายมากุฏิดาวเทียมอีกอันนึงครับ ก็ก็ความกลัวมันก็ตามมาเองหมดแล้วพงศ์อ่ามันมันอยู่ในใจย้ายจนสามรอบจนสุดท้ายมานอนทางจงกลมหลวง่อถึงจะหายกลัวอืมคือความกลัวมันตามเราไปทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนใช้ครีมอะไรอยู่กับใครมันตามไปหมดอยู่ในใจเราใช่อย่างไอ้หลายหลายคนเนี่ยที่ทำงานที่บริษัทเนี่ยโอยบริษัทนี้ไม่ดีเลยอ่ ออะไรล่ะนี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีเนี่ยพอเราย้ายออกจากบริษัทนี้เอาบริษัทนั้นก็ไม่ดีก็ไอ้ความไม่ดีมันอยู่ที่เราอ่ะใช่ครับไปที่ไหนมันก็ตามเราไปหมดอ่ะครับมันก็บอกอยู่เมืองไทยไม่ดีอันอ่นไม่ดีอันนี้มีอากาศร้อนรัฐบาลใหม่ดีมาอยู่เมืองนอกนี่บนเหมือนเดิมครับเพราะว่าความยึดถือมันอยู่ในจใจของเราเราไปที่ไหนมันตามเราไปด้วยเรามาปรฏิบัีิเพื่อเอาความยึดถือนี้ออกยังไงก็ตามกลับมาที่ประเด็นของคุณปณิตีที่บอกว่าครับอ เรื่องของการแผ่เมตตาใช่อหมออที่ว่าเรื่องของผิวแห้งก่อนเ อ, อผิวแห้งครับเพราะงั้นคือถ้าเราเรารักษาร่างกายของเราให้มันพอที่จะภาวนาไปได้นะพอที่จะเป็นที่เ อ, อให้อยู่สบายในการที่จะภาวนาอันนี้ก็ก็สามารถทําได้นะครับอออืเออประเด็นที่สองนะที่พูดถึง ค, คุณรประเด็นนี้ถามมาเรื่องความแผ่เมตตาว่าบทแผ่เมตตาตรงเนี้ยจริงๆถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ย จะเป็นส่วนที่อยู่ในพุทธประชนะเพราะมาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยโหบทนี้ยาวมากเอ๊ะทาไมพุทธชจ้าแผ่เมตตายาวขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะใช่ใ น, นในรายละเอียดเราไม่น่าจะใช่แต่ที่มันจะมีอยู่สองส่วนนะที่ว่าป่าดอนไส่โเราใช้ในะตอนเช้ากับตอนเย็นใช่ไหมซึ่งตอนเช้าอันนี้เป็นพุทธประชนะแน่นอนในตอนเย็นเนี่ยดูดแล้วไม่น่าจะใช่ดูดูล้วไม่น่าจะแต่ว่ามันก็เหมาะสมคือสวยงามดีก็เลยหยิบยกมาใช้แล้วก็ เพิ่มไปตรงตอนหนึ่งที่ว่าอันนี้เป็นพุทธประจนะแน่นอนก็คือว่าเหมือนมันดาที่ถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสลาชีวิตของตนแทนฉันใดครับแล้ก็จเจริญเมตตาจิตในสรรพสัตว์ตั้งหลายชนนั้นเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นพุทธประจนะแน่นอนที่เอาอมาจากกรณีเมตตาสูตรครับ ม, มาเพิ่มเติมก็ไปก็ก็เลยเป็นตรงนี้ออกมาครับเรืร่องของบทแผ่เมตตามีผู้ฟังท่านหนึ่งคือคุณยุพาเนี่ย ขอให้พระจานทรย์พิมพ์พิมพ์เข้ามาในเว็บไซต์ด้วยเพราะว่ามีมีอยู่ที่หลวงพ่อดรอคเตอร์ดอทแล้วไม่เคยถาอาไหมแล้วนะครับลองลองเสิร์ชคาว่าเมตตาเลยในหลวงพ่อดร็อคเตอร์ดอทมจะเจอเด่นทีอ๋อครับที่ใช้ในการปฏิบัติหลีกเลนนะครับท่านไหนยังไม่เคยมาหรือสนใจลองคีย์เข้าไปที่หลวงพ่อดร็อคเตอร์ดอทคอมอรับส่วนตัวจริงๆก็รู้สึกโดนใจมากนะครับกับบทแผ่เมตตาที่หลีกเลนนะครับมันแบบแหน ถึงใจครับชอบชอบนะครับคำถามที่สามของคุณินิติเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์ครับสับสังเกตคือมีคำว่า pray กับ recitation อืมก็คือสวดมนต์คือสวดแบบอ้อนวอนใช่ไหมเพ a y เนี่ยในกับ recitation คือแบบเอามาทบทวนเพื่อให้จำได้นะเพราะงั้นก็คือในคำการสวดของพระเจ้าก็คือว่าเอามาทบทวนเพื่อให้จำได้การท่องบนบางคั้เถอะครับ เรสเตชันเนี่ยก็จะตรงมากกว่ากับการท่องบท น, นะซึ่งการเพล y เนี่ยจะตรงกันกับคาว่ากำวาออนบอนขอร้องอซึ่งเราก็แยกควาเนืกเอาไปก่อนนี่คุณปฏิทิตรมีประเด็นตรงนี้ที่ว่าเออถ้าเราเราเปลี่ยนการสวดมนต์ของในภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยให้เป็นลักษณะที่เราทํากันก็คือว่าเออนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็อ่านพระพจนะให้ฟังอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่เป็นภาษาไทยที่เข้าใจได้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่ไหนก็จะทํำมานะ อืทีนี้ว่าอย่างที่ปกติที่วัดปัตตานีโสของเราเนี่ยในช่วงที่ในพรรษาก็มีการสวดมนต์เหมือนกันแต่สวดมันแปลเเพป็นเฉพาะช่วงหลีกเล้นเท่านั้นเองที่เราให้งดถึงแม้อยู่ในพรรษาช่วงหลีกเล้นก็ให้งดอืมลดการลดการสวดมนต์เพราะว่าจะได้มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ครับคือเราเน้นเนี่ยไม่ได้ให้ท่องบนไม่ได้ให้จบนะแต่ให้ปฏิบัติเต็มที่ เพื่อคุณไม่ต้องจริงๆไม่ต้องมาฟังธรรมด้วยก็ได้แต่ฟังธรรมเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทําให้คุณปฏิบัติได้เต็มที่ด้วยเพราะงั้นก็เลยให้มีการฟังธรรมสักหน่อยหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเหนื่อมาซึ่งจริ ง, ร ง, งๆไม่ได้ให้มีการมาท่องบทธรรมะให้เพื่อให้จําไดนะ้ซึ่งอย่างไรก็ตามในการเอามาท่องบนเพื่อจําได้เนี่ยพระเจ้าเคยพูดไว้ที่หนึ่งนะ่อที่เคยมีภิกษุรูปหนึ่งเขาไปขออนุ ญ, ญาตว่าอาจะบันทึกหรือว่า เปิแพร่์คำสอนเป็นภาษาอื่นเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าอัลมายังไม่ได้ไปตรวจสอบข้อมูลนี้แต่ว่าเคยผ่านผ่านตาอยู่แตพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทําเป็นเฉพาะภาษาบาลีนะให้ให้ให้ใหสวดต่อให้บอกสอนต่อให้บันทึกจารึกอักษรนลักษณะเนี้ประมาณเนี้ยนะเป็นภาษาบาลีอเพราะฉะนั้นทําให้ครู บ, บ, บาอาจารย์ในรุ่นที่ถือถท่ากันมาเนี่ยคงภาษาบาลีเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อดีที่ว่าเออคุณรู้บาลีด้วยรู้ไทยด้วย นื้ออกมครับอย่างอย่างการที่ร ม, มาเรียนภาษาบาลีเนี่ยนะเฮ้ยเราเรามีความลึกซึ้งมากขึ้นนะหมอหลวงออ๋อครับในคําของพทะเจ้าใช้เป็นภาษาบาลีเนะี่ยโอ้ยคือคืออย่างที่บอกอะว่ากิริยาประทานกรรมกิริยาเนี่ยเป็นรูปแบบโครงสร้างที่อมันมันมันเวิร์กมันดีนะครับแต่ให้รู้ชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการสื่ออะไรกันแน่แต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็จะไม่ได้เห็ น, นรูปบาลีที่แท้จริง แต่มพะนั้นการคงเป็นภาษาดั้งเดิมที่พุทเจ้าใช้ไว้เนี่ยก็อันนี้เป็นพระวจนะที่ให้ทำอย่างนั้ น, นเพราะนั้นก็คิดว่าควรจะต้องรู้ภาษาปาลีด้วยนะแล้วก็เพราะนั้นการสวดแปลนี่จึงจะมีประโยชน์มากกว่ากเอามาท่องบนให้จำได้ซึ่งหลา ย, หลา ย, ห, ลายหลายสูตรที่เอามาเล่าให้ฟังในช่วงการอิริกรั น, นมาละโภงก็ก็เป็นการสวดมนต์แปลที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว อ๋อใช่ใช่ไหมเช่นว่าโสดใช่อหรือว่าไอ้บทสวดที่อบอกว่าคําสอนของพระเจ้าส่วนมากมีส so ่วนคือจําแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงอสัญญาไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงอย่างอันนี้ก็มีที่เป็นพุทธวจนะที่แปลเป็นภาษาไทยออกมาเป็นเรื่องที่อ่านให้ฟังเหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็คุ้นเคยกันละออืมแต่ประเด็นก็ถ้าจะพูดถึงการสวดมนเพื่อทบทวนคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นภาษาบาลีนี้ก็จะดี แล้วอย่างคนที่ได้ประเรียันหรือว่ารู้ภาษาบาลีนี่นะมระพงเวลาที่เขาท่องบนเป็นภาษาบาลีเลยนี่นะเขาจะมีความเข้าใจไปด้วยเลยนะอ๋อไม่ต้องแปลเป็นไทยอ่ะเพราะว่าเขาเข้าใจภาษาบาลีอยู่แล้วอ๋อจริงครับอ่าเขาก็จะเข้าใจไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์ที่เขาจะได้ครับในข้อที่สี่คำถามคุณปณิธิเรื่องของเงินกับพระสงฆ์เราเงินกับพระสงฆ์เป็นกองไม่คู่กันอยู่แล้ว ใช่ครับคือเหมือนกับว่าญาติโยมหลายท่านต้องการจะให้เงินกับพระพิสุ ร, รับรับแบบรับเงินเลยแต่พระพิสุเนี่ยรับไม่ได้จะบอกว่าให้ไปเขียนใบปวารณาแทนอืหลายคนก็เลยเ อ, อต้องการสร้างยละเอียดนะดใช่บางคนไม่ทราบครับคือให้รับก็ไม่ได้รับเองก็ไม่ได้รหรือยินดีในที่เขาเก็บไว้ให้ก็ไม่ได้แล้วแล้วทําไงอะ่ะก็พระเจ้า ใ, <ช>ให้ยินดีในปัจจัยสี่ได้ Oh. คือเงินทองเนี่ยเป็นของที่ควรกับผู้บริโภคกรมนะครมเป็นของที่ไม่ควรกับสมณะอยู่แล้วมสมณะเนี่ยยินดีอะไรยินดีในเงินยินดีในปัจจัย4ี่ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคไดคนะ้ซึ่งตรงนี้ใครเป็นคนจัดการนะสมมุติว่าถ้าคุณคุณควรจะเอาปัจเจียนี่มาให้พระแต่ปรากฏว่า <S <S ค, คุณไม่ได้มีปจัจจัย4อย่างนั้นจะทำไงดนะีแต่เรามีเงินจะเอาเงินไปเพื่อแลกเปลี่ยนนี่ก็ไม่ได้แล้วพิสูจน์ไม่ควรทําอย่างนั้น ทำางดีก็มอบไว้ให้กับผู้ทําการแทนสงคือเวัชกกรผู้วิย์เบลวชกรเนี่ยก็จะทําหน้าที่ไปจัดการปัจจัยศีตามที่ภิกษุรูปนั้นต้องการซึ่งตรงนี้การไปใบปรำนาเนี่ยก็เพื่อที่จะบ่งบอกให้ภิกษุทราบว่าใครเป็นผู้เป็นไบลวัชกกรด้วยมูลค่าของอปัะจัย4ีเนี่ยเท่าไหร่เพื่อที่จะให้คนนี้ก็ดําเนินการครัทีนี้พระไปเบิกเนี่ยไม่ได้เบิกเงิน แต่ไปเบิกปัจจัยสี่อันคุณแก่สมรรถจักริพกจากวัยวรุ่นวจกรอ๋อครับนั่นก็เป็นการที่จะให้ระบบมันไปถูกต้องอย่างนี้นะตามที่ของที่จะครับแปลงว่าก็คงเข้าใจนะครับอืหรือถ้ายังไม่เข้าใจถามซ้ําอีกวันหลังได้นะครับได้ได้อืมครับอันนี้คือเรื่องของการอคำถานของคุณปณิติที่มาในรายการนะครับอืมอืมอจริงๆต้องขอชมคุณปณิติ โดยส่วนตัวแล้วชื่นชมมากว่ามีฝ่ายรู้นะครับฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษามากนะครับทีนี้มีคำถามของคุณมัคคานุคาครับพระอาจารย์เขาถามว่าอะไรล่ะมีเกี่ยวกับเรื่องความง่วงนะครับที่มีพระสูตรว่าที่ตถาคตอบอกกับมกพระมกขรณะนะครับเรื่องอความง่วงเวลาความง่วงมาครอบงาเนี่ยเธอพึงทาไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มาก แต่จะเป็นเหตุให้ละความง่วงอันนั้นได้อืแต่ อ, อันนี้ความเข้าใจเป็นไงครับคือค ว, ความไม่เข้าใจความง่วงเนี่ยเป็นนิวอรอย่างหนึง่งครับเนี่เป็นเครื่องที่ทําปัญญาให้เรากำลังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับอ่าคนติดคุก ค, คุณติดคุกเนี่ยคุณไปไหนก็ไม่ได้อาจจะถูกทําร้ายด้วยเสียงเงินด้วยครับแต่เพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้จิตเราไม่ไม่มีกาลังขึ้นมาแต่เราต้องละมันออกไปให้ได้ในเรื่องนี้ท่านพระมหาโมคนนันนะเคยประสบปัญหานี้มาก พระเจ้าก็เลยให้อุบายในการแกล้งง่วงไว้กับท่านพระมหาโมะคละณนะทั้งหมดแปดอย่างครับมีอะไรบ้างนะครับ อ, อย่างแรกนี่ก็คือว่าให้มีสัญญาอย่างไรให้ทําสัญญาอย่างนั้นนะก็คือหมือคกับว่ารตรงนี้มีคือในความเห็นอาตมานะก็คือว่าให้สู้ให้สู้ อ, อ, อ, อคุณคุณมีสัญญาเรื่องนี้อยู่คุณง่วงใช่ไหมคุณทําสัญญานั้นต่อไปให้สู้ เพื่อที่จะล่มันจะได้แล้วซู้ไม่ได้คุณก็ไปทาข้อที่2เงี้ยเปลี่ยนไปอ่าข้อที่2ก็คือให้มาใกล้คลวรธรรมะครับพิจารณาธรรมะเต็มที่คนได้เคยได้ฟังมาทีนี้มันมีความเห็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นการที่เขียนผิดก็ได้นะหรือลอกมาผิดข้อที่หนึ่งกันคือถ้าสมมุติว่าเราคิดเรื่องเสื่อเรื่องหมอนแล้วมันง่วงคุณก็เปลี่ยนเรื่องคิดซะคุณคิดเรื่องเตียงที่บ้านนิ่มๆสบายๆนะคุณว่าวมันง่วงคุณก็เปลี่ยนเรื่องคิดซะไปคิดเรื่องความเพียงของพุทธเา เรื่องการปรับความพินของครูบาอาจารย์อย่างนี้ครับมันจะดีกว่าแต่มาว่าใช่ครับคือตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าลอกมาผิดไหมแต่ถ้าลอกผิดเราก็จะต้องเป็นความว่าเปลี่ยนสัญญานั้นซะให้เป็นทําสัญญาอย่างอื่นแต่ถ้าลอกมาไม่ผิดนราก็แสดงว่าอันนี้ให้สู้ให้สู้กับความง่วงนั้นครับก็ได้สองนัยยะเลยคือหมายความว่ามีสองความเห็นอ่าสองความเห็นัที่ความเห็นแรกก็คือว่าให้สู้ความเห็นที่สองว่าคือคิดว่าน่าจะลอกผิดมาครับ ตอนนี้ที่สมมติว่ายังละไม่ได้ก็แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าความเห็นไหนจะถูกเนี่ยนะมันก็มีข้อสองต่อไปเข้าใจไหมถ้ายังละความง่วงไม่ได้ก็ให้พึงยอนช่องหูทั้งสองข้างเอามือลูบตัวจริจริงยอนช่องสูนี่จะเป็นข้อที่สี่ลมั้งการยอนช่องหูเนี่ยคือตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยแล้วพงหูของหลังหูของเราเนี่ยที่ทีหลังใบหูเนี่ยนะ ไม่ใช่ไม่ต้องใบหูนะคือหลังหูก็ไปตรงกระโหลกศีรษะเนี่ยแต่มันจะมีต่อมอยู่ต่อมหนึ่งเรียกว่าต่อมเมลาตินินแกลนต่อมเนี้ยจะทําหน้าที่ผลิตสารที่ทําให้เราง่วงนอนออกมามันจะทํางานเมื่อร่างกายอยู่นิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มีแสงคือมืดๆเนี่ยมันจะทํางานแล้วก็นิ่งๆมันจะทํางานอครับทีนี้ถ้าเมื่อไหร่เราเราไปจับมันกระตุ้นให้มันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะหยุดทํางาน เพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าโอ้เงี่ยมนจับหูจับไปหูเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นตอนนี้หรือว่าเอาลรวมก็ไปในหูเหมถึงว่ารูหูนะอย่างสมมุติคุณเอาคัตติ้ลบัตรหมุนเข้าไปอย่างเงี้ยโอมันจะยิขึ้นมาใช่ครับตรงนี้อก็จะทําให้คลายความง่วงได้เพราะว่าต่อมไร้ต่อมนินแกนี้ก็จะหยุดทํางานลงด้วยนะหรืออีกอย่างหนึ่งที่พระาให้ไปมองแสงสว่างอ๋อครับอมองแสงสว่างมองดาวฤกษ์หรือว่าแสงสว่างเนี่ยอย่างก็คือเราตื่นขึ้นมาใช่ไหม ครับตอนเช้าเราตึกที่มายังมืด อ, อยู่อย่างเงี้ยถ้าเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกแสบตาแต่สักพักหนึงเราจะหายง่วงอือเพราะมันมีแสงเข้าไปในตาเพราะมีแสงเข้าไปในตาแล้วเนี่ยมันก็ไอต่อมนี้ก็จะหยุดทํางานทํางานน้อยลงลเราก็จะคลายความง่วงไปได้อืไอเรื่องของการจับหูเนี่ยย้อนช่องหูนี่คือหมายถึงว่าจับที่ใบหูก็ได้นะรูปๆแถวๆหูก็ได้หรือว่าล้วงเข้าไปในรูหูเหมือนอย่างเขาต้นบัตอย่างนี้ก็ได้ครับอืม ก็จะเป็นเห็นให้รักความงงนั้นได้ครับทีนี้ประการหนึ่งก็คือว่าถ้าแสงสว่างเราไม่มีอ่าไม่มีซึ่งจะมาตรงกับข้อสามของคุณมคานุกาที่ถามว่าเอ๊ะแล้วทําในใจซึ่งเอาโอกาสัญญานี่คืออะไรนะเอ้เอาโอกาสัญญาเนี่ยก็คือแสงสว่างนั่นเองอนอทําในใจซึ่งแสงสว่างเรานึกถึงแสงสว่างอยู่ในจิตของเราเข้าใจไหมแสงอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแสงอะไรก็ได้หมอรัพงษ์จำจำตอนหนึ่งได้ไหมที่เราพูดถึง อะมะนาวอ๋อครับที่เราวิชวลไลซ์มะนาวบีบเข้าในปากแล้วน้ำลายก็ไหลออกมานะอ๋อครับจําได้นอะอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้กินน้มะนาวจริงๆด้วยซ้าเราแค่นึกถึงเจ้าตัวมะนาวน้ําลายเราก็ไหลออกมาแล้วครับใช่ไหมเช่นเดียวกันเราไม่ได้เห็นจําเป็นต้องเห็นแสงสว่างจริงๆก็ได้เรานึกถึงแสงสว่างเราก็สว่างแล้วไม่ง่วงแล้วครับก็ได้เนาะ<อ>ถ้าใครยังไม่ได้ฟังเรื่องของมะนาวไปฟังไม่ไม่ทราบว่าอีพิซอดที่เท่าไหร่ ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ว่าก็จะมีสำนวนที่ต่อท้ายนะกลางวันเป็นอย่างไรกลางคืนเป็นอย่างนั้นกลางคืนเป็นอย่างไรกลางวันเป็นอย่างนั้นทำจิตให้ห่อ้ฮมอยู่อันนี้จะเป็นสำนวนอันเดียวกันกับการเจริญอิทธิบาทสี่อ๋ออิทธิบาท4่ก็คือทำให้อย่างตลอดอย่างต่อเนื่องนะทำให้เป็นแบบไม่มีช่องว่างเลยเข้าใจเนาะครับก็จะทำให้ความงุนลาไปได้ครับ วิธีการละความง่วงก็พระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะแยะเลยนะครับเป็นโหภูมิธ ร, รรมที่สุดยอด เ, ยเลยนะครับชทีนี้ว่าการละความง่วงเนี่ยก็ให้ทําเป็นลําดับลําดับไปครับนะถ้าไม่ไหวจริงจรงก็ไปข้อแปดเลยนอน อ, อทีนี้บางคนเป็นอย่างนี้โอ้ยพอเราง่วงปุ๊บลุกขึ้นยืนละโอ้ยยังยังยั ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยังไม่หายง่วงเลยนอนแล้วกันอ้าวอ้าวอข้ามขั้นข้ามขั้นไม่ได้ข้ามขัมข้นมันก็ น <c oughs> อนเสียแล้วนั่นแหละนะ <it> ัการงานยังมีอยู่โอ้ยทําแล้วก็เจนเหนื่อยยังงั้นนอนซะดีกว่าไงออืครับก็ <c oughs> ก็จะไม่ถูกกว่านะร่างกายจะอ่อนอ่อนเปรียบเปลียแรงเพราะฉะนั้นก็ให้อ่าให้ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปในเรื่องของการแก้ความง่วงแล้ ว, ลกลกวับครั้งอีกครั้งหนึ่งคืออันดับแรกนะก็ถ้าคิดเรื่องนี้ง่ว ง, งเป็นเรื่องคิดซะหรือหรือความเห็นที่สองเขาจะคิดว่าให้สู้ นะถ้ายังไม่ได้จริงๆนะก็ให้ทําอย่างที่2คือเคร่ควรธรรมะครับเอาเคลมามาทบทวนเคร่ควรพอสมอมันมีกิจกรรมเนี่ยมันมีกระแสไฟฟ้าเดินไปเดินมานมันก็จะคลายความงวงุ่นวายถ้ายังไม่ได้ให้สวดมนต์นะมีการเปล่งเสียงออกมาทําเสียงมันก็มีการกระเทือนไปในระบบร่างกาย ร, ระบบปอดใช่ไหมอันนี้สี่ถ้งไม่ได้นะคุณลุกขึ้นยืนเอาน้าล้างตาเดี๋ยวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวฤกษ์ครับนะ น, นี่ก็ที่สี่ใช่ไหมถ้ายังไม่ได้ นะให้เอามือลูปตัวอืมถ้ายังไม่ได้อันที่หกน่ะให้อ่ลุกขึ้นเอให้มองแสงสว่างอให้ทําในใจซึ่งแสงสว่างนั่นคือข้อที่ฐานมาตรงนี้ทําในใจซึ่งแสงสว่างครับให้ใช้ใจมีสว่างอยู่ตลอดครับอืมถ้ายังไม่ได้อันที่เจ็ดให้เดินจงกรมเดินจงกรมถ้ายังไม่ได้จริงๆอันที่แปดให้สียสียาออนอนเอียงแต่แขงขวาใช่ไหมครับ รู้สึกตัวเมื่อไหร่ลุกขึ้นทันทีต้ององนี้ล้วยนะรู้สึกตัวเมื่อไหร่ลุกขึ้นทันทีครับคือการที่เรารู้สึกรู้สึกตัวเหมายว่าร่างกายเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มกับการนอนแล้วใช่ไหมใช่รู้สึกตัวเอ้อนี่มันกี่โมงแล้วนะเอ้ไม่ต้องถามเลยลุกขึ้นเลยลุกแล้วอคือ <laughs> บางคนลืมตาขึ้นมาเนี่ยขอดูก่อนกี่โมงแล้วโอ้ยตีสีเองนั่นแล้วนอนต่อก่อนไม่ใช่ตีสี่คุณไม่ต้องดูนาฬกาอะไรคุณลุกเลย ครับนึกออกไหมวันทองนี่คือวิธีการที่พุญเจ้าให้ให้ทำนะครับท่านครับมีคําถามสุดท้ายพอดีเกี่ยวกับวิชาชีพผมด้วยคือปัจจุบันเนี่ยเจอคนนอนกัดฟันเยอะมากเลยครับนอนกัดฟันกับนอนกลนเนี่ยแล้วทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนกับแก้ไม่หายแก้ได้แค่ปลายเหตุเหมือนกับนอนกัดฟันเนี่ยก็จะทําเหมือนเป็นคล้ายๆยางนักมวยแต่นิ่มกว่าใส่ปากแล้วก็กัดเพื่อไม่ให้ฟันบนกับฟันล่างกระทบกัน ฝันจะได้ไม่สึกหรือไม่มีเสียงดังแต่ผมเองก็รู้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเกิดปัญหากเกิดจากจิตจิตที่มีมเหมือนกับเครียดหรือว่าเป็นความกดดันแล้วมันแสดงออกทางกายเนี่ยในมุมของธรรมะเนี่ยเราควรจะพิจารณาแก้ไขยังไงดีครับอืมแต่คือไม่ก็ไม่รู้ฝันหรือเปล่านะอืมกันที่ว่าเราเราคิดว่าวิธีการนอนก่อนดีกว่า วิธีการนอนที่ผู้เชี่แนะนําก็คือว่าให้นอนอย่างตะตาคต์ก็คือว่านอนอยู่ในสมาธิแต่แล้วก็เรามีสมาธิอยู่อย่างเงี้ยก่อนนอนใช่ไหมเราก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนไม่ให้บาปอกุศลธรรมอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในจิตนี่คือวิธีการนอนถ้านอนอย่างนี้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้ไปได้นะอแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยเราก็ต้องให้อ่ารจิตอยู่เรื่อยๆคือไม่ใช่ว่ามาทำเฉพาะเวลาก่อนนอน แล้วคุณมีว่าเออฉันคืนนอนนี้ฉันสบายแล้วไม่ต้องกวนไม่ต้องไม่ต้องกัดฟันคือมันมันเป็นคือธรรมะเนี่ยหมอหลวงต้องพูดอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันเป็นเป็นชีวิตนะเป็นไลฟ์สไตล์ทั้งหมดเป็นไลฟ์สไตล์ใช่มไม่ใช่มาทําปั๊บป๊แป๊บแ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปตอนหลีกเด่นหรือว่ามาวาดมาช่วยงานไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นชีวิตเราดําเนินชีวิตอยู่ด้วยธรรมะไหมครับอ่เช้ากลางวันเย็นนะคุณไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาแบบนั่งหลับตาดูหนังตาั้งเช้ากลางวันเย็นนะ แต่ว่าให้แบบมีชีวิตอยู่ในธรรมะคุณรักษาศีลไหมคุณพูดดีๆกันไหมคุณมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไหมทั้งวันเนี่ยอย่างเงี้ยจะฆ่าอจะจะตียุงอ่ะเมตตาเขาซะจะพูดโกโอ้ยเราใช้ไม่ทําหรอกเป็นเป็นวิถีชีวิตบางกันเถอะครับเพื่อนถ้าเรามีวิถีชีวิตอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับออย่างน้อยพระพุทธธรรมประสงค์ก็มีมีอํานาจอยู่ในในตัวของเราหนึ่งอรือไหมมันจะเป็นยังไงก็ก็ก็คิดว่าไม่เป็นไรล่ อืมขจัดฟันขจัดฟันอะไรก็สบายใจอยู่ล่ะครับโดยส่วนตัวอย่างพอเรามาปฏิบัติศึกษาธรรมะก็จะบอกคนแค่ว่าพยายามเจริญสมาธิคือเจริญสติเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิดู่ลมหายใจอย่างเงี้ยครับก็บอกไปตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาอมีีแลล้ววน่าจะดีขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยความเครียดจะได้ลดน้อยลงครับใช่ เนาะก็อนนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมมานะคุณมาระว่งนะครับครเพราะวันนี้เราได้คุยเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างก็เรื่องฟ้าผ่าเรื่ฟ้าผ่าเรื่องของการปฏิบัติหลีกเลนอืที่ธรรมมันจะมาจอดกันหมดครับแล้วก็มีแขกชาวต่างประเทศของพระอาจารย์อ๋อคุณสมหวังกับคุณอเล็กซ์อเล็กซ์ ไําคุณจมบางนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องประเด็นของวิธีธรรมองครรร์กรวิธีธรรมองค์กรวิถีธรรมแล้วก็คุณน<ๆ>เล็กนี่เราก็พูดถึงการควบคุมปากแล้วก็อาภารของชั้นที่หนึ่งอาภารของชั้นที่สองคือคือตะกี้เพิ่มนิดนึงตรงนี้ว่าอาภารของชั้นที่หนึ่งๆๆใช่ไหม <ๆ S 2> ก็คือการที่เราจะความคิดที่จะน้อมไปทางการท่ให้เขาไหลไปตามอาหารตามอำนาจของลิ้นแต่ทีนี้เราจะหนีจากอาภารตรงนี้คุณต้องขึ้นไปชั้นสองคือไม่ต้องคิด แต่พอเราไม่คิดไอความคิดทางการมันมาไม่ได้ครับเออไหมเออแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องอะไรอีกเรื่องการนอนครับครอ๋อตอบคําถามคุณปานิธิคุณปานิธิครับปานิธิแล้วก็เรื่องของการนอนครับการนอนแล้วก็อ่าการนอนนี่เป็นคําถามคุณมคานุขาครับก็เรียกว่าครบถ้วนกระบวนความนะครับอินเอิทางธรรม แล้วยังไงเราก็จะมาพบกันใหม่ครั้งหนึ่งในวันในวันเข้าต่อไปคราวต่อไปก็อปอเอพิโซดที่เจ็ดสิบครับถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามหรือต้องการคอมเมนต์หรื อ, เ, อ, อเรื่องการปฏิบัติอย่างไรนะครับส่งมาได้ที่เพียวธรรมะคอมนะครับวันนี้ก็ต้องกราบนวัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลนะครับซึ่งตอนนี้ก็สุขภาพป่วยเล็กน้อยนะครับขออวยพรให้พระอาจารย์หายไไว้นะครับแล้วก็ ขอกราบมัส ก, การนะครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับพุทธวสวัสดีครับเจรครับ